ความนึกควบคิดนั่นแนหะคือตัวจิตอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ว่าลืมตาแล้วไม่เห็นถ้ารับตาแล้วเห็นนะถ้าหากเาไม่เห็นตัวจิตั้ามีจิตมันพาให้เราไปเที่ยว่อนทุกสิ่งทุกอย่างวิเวททั้งหลายสรพัดทั้งขวาวัตทุกิ่ทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้น ที่ท่านพูดทั้งเรื่องเจตจิตก็คืออาการของจิตที่เรากิเลทั้งหลายนอกจากทังประการนั่นก็เกิดจากจิตอั่เดียวแต่ผู้ที่เห็นในหลา ย, ร, ลายรู้หลายนั้นคือรู้หลายรู้เรื่องตำราแต่ตัวจิตแท้ไม่เห็นว่าตามตำราที่คืคย ท่านว่าแล้วก็ว่าไปตาม น, น, 5, น, 5, นี้นแหละวิริย์ันหาขันหาน้อยแต่กว่าไปตามเรื่องสัมราวนัดตั้งตนตั้งแต่ขันหาอายุระวิริยไปขันหาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสีงขามียานนี่เรียกว่าขันหาหลวมว่าเรียกว่านนี้สองอย่างคือมีรูปกกำนาล ทำใหลูกกำนาแล้วพูด no ท ah ั้งนึงนามนั้นไม่เห็นเลยลูกเห็นได้นามมันคือจิตทำยังไงพวกเราจะเห็นจิตถ้ามันจิตพาเราว่อนอย่างนี้แหละเที่ยวเหนือล่องใต้สารคทุกอย่างทุกประการไฟทั่วทุกทิศทุกทางเลยแล้วคุณจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้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 มโนเจตหามโนวิยาใจเรืนองของก็เสร็จสาเร็จแล้วโดยใจพูดก็อจะพูดจะจาแล้วสําเร็จได้โดยใจนั้นๆพูดถึงเรื่องมโนคือใจขันจิตและขันนี้พูดถึงเรื่องจิตอีกจิตตังกับพัสรังนะครับโอเกิเลสเซหิ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 ทำยังไงเย็รู้จักจิตปพัดสอนจิตกับใจนักข่ารวมกันนักข่านี่พูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดเรื่องใจมารวมเข้าข่านี้มนรวมก็เป็นใจให้พูดเป็นใจนักขานี้เมื่อเป็นประพัดสอนในรวมรวมเป็นใจความที่ประพัดสอนนนหมายความถึงจิต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 เรามาพยายามขัดกล่าวเกลียดตรงนั้นน่ะตรงอาคันตุกกิเกลียดตรงนั้ให้มันมีให้มันเกิดขึ้นในที่นั้นจึงจะรู้เห็นจริงต่างๆถ้ามันใสสะอาดมันก็เห็นนด้สิจะไม่เห็นยังไงน้ําใสสะอาดบริสุทธิ์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 แสงสว่างก็คือไฟกำจัดควมมืดก็คือไฟไฟแท้คือความร้อนนั่นแหละเป็นไฟแท้้นอนใที่ใดไฟในที่นั้นไม่มีตัวมีตัวหาว่าอบอุ่นที่ใดเรียกว่าธาตุไฟในที่นั้นน่อยู่ในน้นในบกก็ตาม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 ควคิดของมนึกควาปรุงแต่งมันออกไปจากใจกท่านเรียกว่าจิตจิตคือคิดคือนี่คือปรุงคแต่งนันเรียกว่าจิตมากมายอ่นนั้นเป็นคนสรางส่วนใจไม่สรางสงบของที่จิตเป็นคนสรางปรุงแต่งสรรพทุกอย่างในโลกอันนี้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 ขึ้นบนก็หนึ่งหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งสองก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามหนึ่งสี่หนอนห้าหหนึ่งเก้าหนสิบหนก็เป็นสิบจิตแท้ที่จริงหนึ่งอเดียวเนี่ยจิตถ้าจะนับหนึ่งีกมนกันนับหนึ่งถึงถึงจิมันก็เป็นรอยแท้ที่จริงนับอันเดียวเจะลืม คนเราไปนับสองสามสี่ห้าลืมลักลืมหนึ่งเนี่ <c oughs> ถ้านับล้มหนึ่งแล้วหมดเรื่อง <c oughs> ไม่ต้องไปงมงายของมันไม่ต้องมากออไปเหตุนั้นการทำภาอนาสมทธิทำตรงใจอันเป็นหนึ่งนี้แให้ถึงใจ พุทธศาสนาสอนอย่างนั้นสอนใจอย่างเดียวคนโดยส่วนมากเรื่องธรรมสมาธิภาวนาไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของพระพระก่าฟัางท่านององค์ก่อนไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานนู่นฝ่ายนเย่ยแค่ที่จริงมีใจทุกคนนี่ใค้ให้เข้าหาใจแล้วก่อน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 เลื่อมใสศรัทธามาทํารรบุญแล้วจะได้บุญอ น, นิสงส์เั่งยืนจะได้ควาสุขในมนุษย์สมัติสวรรค์สวรรค์นิพพานสมบั ต, ติอะไรต่างๆคือต้องการแในปรารถนาทแท้ๆ น, นี่การทําบุญ น, น, าา น, านั่นน่ะปรารถนาผลตอบแทนมันไมเรียกว่าทําบุญทํากุศล้วค่ะ น, นี่เเจอจิตที่มีคิดนึกดี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 ในพิจารณาสังขารร่างกายของเราเนีเรียก่ า, กรารูปภาพขจนรูปภาพจอพิจารณาทังเรื่องจิตรูปภาวาจรพิจารณาทั้งเรื่องจิตโลกุดอนหมายความึ่งกุณสนที่ป่าจะจากความอยากอังวทั้งหมดแต่ว่าทำเพื่อประดับจิตเพื่อประดับ ใ, ใจขงสนธ น, นไม่ได้ป่าธนาเลย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 เป็นของสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเห็นใจนี้เป็นของเลิศเป็นสุดเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้รู้จักผู้เรื่องของตนถ้าไม่เห็นเรื่องไม่เห็นใจตองตนแล้วทำดีทั้เชือ่อคนไม่รู้ทั้งนั้น